บรรยากาศกลางป่าเขาเช่งเอื้อต่อการพบปะกันของภิกษุผู้ดำเนินตามมักคันิขาอันจะนำไปสู่ความสิ้นไปแห่งทุกข์เบื้องทิศตะวันตกดวงตะวันคล้อยต่ำลงและกำลังจะลาลับขอบฟ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหมู่ปักษาและกาแก่ พากันบินกลับรังส่งเสียงเพรียกเรียกพวกพ้องดังอื้งมีรัติการกำลังเคลื่อนตัวช้าๆเข้าครอบคลุ่มอนาบริเวณที่คนต้นว่าหลวงพ่อดำนั่งเป็นสง่าในท่าสมาธิเพชรห่างท่านออกไปกึ่งว่าพระครูเจริญนั่งพับเพียบเก็บเท้ามือทั้งสองวางซ้อนกันไว้บนตัก ในท่าสำรวมดูน่าเลื่อมใสต้นว่าเป็นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธประวัตินะลุงพ่อดำเอ่ยขึ้นหรือครับผมไม่เคยทราบมาก่อนทราบแต่ว่าภายใต้โคนไม้อัศทะพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในเวลาต่อมาจึงเรียกต้นพระสีมหาโพธิ์อีกต้นหนึ่งที่ผมรู้จักคือต้นเกตรหรือราชายตนะที่พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาเจ็ดวันมีพ่อค้าสองคนชื่อตะปุตสะกับพันลิกะเดินทางจากอุกะละช น, นบทมาพบและถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผงแด่พระพุทธองค์แต่ต้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระชนมายุเจ็ดพันษานึกออกแล้วครับตอนนั้นพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีเจรตพระนังคันแรกนาขวัญ ทรงประทับอยู่ใต้ต้นว่าพวกพี่เลี้ยงพากันไปดูพระเจ้าสุโธธนะทรงไถนาทิ้งพระสิท ธ, ธะกุมารไว้ใต้ต้นว่าจนเย็นคิดว่าพระกุมารคงถูกแดดแผดเผาพระวรกายเสียแล้วแต่เกิดอัศจรรย์ต้นว่ายังคงทอดร่มเงาบังแดดให้พระกุมารเหมือนเมื่อตอนเช้า ที่เป็นดังนี้เพราะอํานาจชาญสมบัติที่ทรงบาเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องที่คนโบราณเล่าเล่าสืบสืบกันมาบัดนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง และนารีผลก็มีอยู่จริงผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกครับหลวงพ่อดีแล้วเพราะคนเชื่อยากนั้นสอนง่ายส่วนพวกเชื่อง่ายมักสอนอยากเราชอบคนเชื่อยากอย่างเธอนี่แหละขอบพระคุณครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อด้วยนะครับ พูดพร้อมกับประนมมือว่าอย่างนอบน้อมเมื่อเป็นลูกศิษย์เราเราก็จะถามอีกว่าชมพูทวีปแปลว่าอะไรภาษาบาลีว่าอย่างไรผมไม่ทราบคำแปลครับทราบแต่ว่าชมพูทวีปแปลมาจากภาษาบาลีว่าชมพูทีเปถ้าชมพู หมายถึงสีชมพูก็น่าจะแปลว่าทวีปสีชมพูหรือดินแดนสีชมพูผมตอบอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดแต่ก็ยังไม่ถูกสักทีเดียวชมพูแปลว่าต้นว่าชมพูทวีปแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นว่าหรือจะแปลว่าทวีปแห่งต้นว่าก็ได้ ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเรียกว่าชมพูทวีปเพราะเต็มไปด้วยต้นว่าปัจจุบันดินแดนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของประเทศต่างๆ5ประเทศได้แก่อินเดียเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานและบังคลาเทศผมนึกออกแล้วครับสีชมพูก็คือสีของลูกว่า ที่กำลังห่ามใช่ไหมครับสมัยเด็กๆผมชอบกินลูกว่าตอนมันสีเขียวยังกินไม่ได้พอห่ามมันจะกลายเป็นสีชมพูหากก็ยังมีรสฝาดอยู่ต้องรอให้มันเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วงเล็จากสีม่วงเป็นสีดำถึงตอนนั้นจึงมีรสหวานหลวงพ่อละครับเคยฉันลูกว่าหรือเปล่า เราไม่ได้ฉันอาหารมนุษย์มาหลายร้อยปีแล้วเรามีบาทก็จริงแต่ไม่เคยออกบินทบาทเพียงเอาบาทแขวนไว้ที่กิ่งไม้พอถึงเวลาก็ปลดบาทลงมาและฉันอาหารที่อยู่ในนั้นลุงพ่อดำบอกกล่าวถ้อยคำของท่านทำให้ภิกษุวัย45นึกถึงคำพูดของโยมอดีตผู้ใหญ่บ้าน ที่บอกท่านเมื่อ20ปีก่อนว่าลุงพ่อองค์นี้ท่านไม่ได้บินบาดผมเห็นท่านเอาบาดแขวนไว้ที่กิ่งไทรพอได้เวลาฉันคือประมาณก่อนเที่ยงท่านก็จะปลดบาดลงมาแล้วก็นั่งฉันอาหารที่อยู่ในบาดฉันเสร็จก็ล้างบาดแล้วแขวนไว้ที่เดิมผมพยายามสังเกตว่ามีใครนำอาหารมาถวายบ้างแต่ก็ไม่เห็นมีผู้ใดเลย ไม่มีใครสนใจหรือแม้แต่จะพูดถึงท่านบางครั้งผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าท่านจะมาทำไมทุกปีในเมื่อไม่มีใครสนใจท่านเลยเหมือนจะรู้ว่าลูกศิษย์กำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อดำพูดขึ้นว่าก็มารอพบเธออย่างไรล่ะรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะให้โยมผู้ใหญ่บ้านพามาหาเรา แต่โยมเขาบอกว่าตอนเขาอายุ8ป้าขวบก็เห็นหลวงพ่อมานั่งอยู่ใต้ต้นไทรทุกปีตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับผู้อ่อนวัยกว่ายง้งเรียกว่าเรามารอเธอตั้งแต่ก่อนเกิดนั่นแหละเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมก็น่าแปลกนะคนเราเวียนตายเวียนเกิด ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่บางคนกลับไม่เชื่อเรื่องพบชาติไม่เข้าใจเรื่องวัตจักรทีวิตเรารู้จักเธอมาก่อนที่เธอจะเกิดเสียอีกพูดอีกอย่างคือเรารู้จักเธอมานานตั้งแต่เธอเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นแหละเธอสิไม่รู้จักเราเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะรู้ แล้วหลวงพ่อรู้จักสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่พระองค์เป็นพระยาตากเธอรู้ไหมที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์เป็นลูกจีนบิดาชื่อไห่หองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่เขาสมมติขึ้นมาความจริงพระองค์มิได้เป็นลูกของนายไห่หองเพราะนายไห่หอง ไม่มีตัวตนจริงๆไหหองเป็นชื่อของหญิงเชื้อสายจีนซึ่งเป็นสนมลับๆของกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นโอ ร, กรสกษัตริย์หรือครับถูกแล้วส่วนานางนกเอี้ยงก็ไม่มีตัวตนเช่นกันเอาละวันหนึ่งเธอจะได้พบกับพระองค์ท่าน ลองทูลถามดูว่าจะตรงกับที่เราพูดมาหรือไม่แต่อย่าลืมว่าเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้นครับแล้วเมื่อ น, นั้นผมจะขออนุญาตเปลี่ยนประวัติศาสตร์เสียใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องที่เธอจะพิจารณาวินิจฉัยด้วยตัวเธอเองอย่างไรก็ตาม ขออย่าได้เอ่ยอ้างเราเป็นพยานเพราะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะทำเช่นนั้นทำไมหรือครับผมว่าลุงพ่อช่วยไปเป็นพยานบ้างทีอาจจะสำเร็จลำพังผมคนเดียวเขาอาจไม่เชื่อต้องมีพยานมันเป็นไปไม่ได้นะสิแค่เธอบอกพวกเขาว่าเราอายุเกินสา0ร้อปี ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเอาเถอะให้ชาวโลกเขาจัดการกันเองเราอยู่พ้นโลกแล้วไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องครับแต่หลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าอายุเกิน300รปีทำให้ผมคิดไปถึงพระอุตระ ที่คนเขาเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรคือหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรใช่ไหมครับไม่มีคําตอบจากหลวงพ่อดําท่านพระครูจึงสรุปว่าถ้าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นองค์เดียวกับพระอุตตระที่พระเจ้าอโศก ทรงส่งมาเผยแผ่พระศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิคู่กับพระโสนะลวงพ่อก็มีอายุเกิน 2,000 ันปีเพราะพระเจ้าอาโศกทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนาในปีพุทธศักราช234หลวงพ่ออายุสองพกว่าปีแล้วใช่ไหมครับอะไร ทำให้เธอคิดเช่นนั้นผมมีหลักฐานครับหลักฐานอะไรพระไตรปิฎกครับในมหาปรินิพานสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานุนว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่ประการดีแล้วถ้าปราถนาก็อาจมีอายุยืนได้ถึงกับหรือเกินกับ ตอนแรกที่ผมอ่านยังนึกแย้งในใจว่าจะเป็นไปได้หรือคือไม่ใช่ผมไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ผมคิดไปว่าพระไตรปิฎกปแปล ก, กันมาผิดผิดหรือเปล่าแต่พอมาพบหลวงพ่อผมก็มั่นใจเต็มร้อยว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์รัดไว้จริงและไม่ได้แปล ก, กันมาผิดผิด ภิกษุวัยสีอธิบายสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไม่มีที่ไม่จริงแต่มนุษย์บางพวกทั้งบรรพชิตและคฤรืหัดที่ไม่สามารถเข้าถึงพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ก็เกิดความเห็นผิดคิดเอาเองว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่จริงบ้างเพราะไตรปิดกปแปลกันมาผิดผิดบ้าง เท่ากับไม่ศรัทธาในญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ต, าตถาคตโพีิศรัทธาในอนาคตคนจะยิ่งห่างไกลพระศาสนามากขึ้นพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็จะพากันก่อกรรมทำชั่วต่างๆนานาลูกจะฆ่าพ่อ พ่อลูกจะฟ้องร้องแย่งสมบัติกันสิทธิจะคิดล้างครูอาจารย์ความกตัญญูกะตะเวทีความเมตตากรุณาจะค่อยๆหายไปจากโลกเหลือแต่การเอารัดเอาเปรียบการแข่งแย่งแข่งขันแม่ลูกก็ยังไม่ไว้ใจกันและกันสามีพัญยาก็อยู่กันด้วยผลประโยชน์ ไม่มีความรักความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกันเธอเองก็รู้ว่าต่อไปสังคมโลกจะวุ่นวายสับสนคนดีเท่านั้นจึงจะเข้ามาหลบในร่มเงาของพระศาสนาแต่ก็น่าเสียดายที่พระสงค์ไม่อาจเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เพราะพวกเขา ลดตัวลงมาแข่งแย่งแข่งขันในทางวัตถุกับผู้ครองเรือนประชาชนก็เลยเลิกนับถือพระทำให้พระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบซึ่งมีจำนวนน้อยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเธอเองก็จะถูกพวกคนชั่วซึ่งมีทั้งบัพชิตและคอร์อหัช ใส่ร้ายป้ายสีแต่พวกเขาทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอผ่านการอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีการออกทูดงในครั้งนี้จะทำให้เธอเข้าถึงประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยเฉพาะประโยชน์ท่านนั้น เธอจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศคนมีบุญจากทั่วโลกจะพากันมาหาเธอแล้วเธอก็จะเหน็ดเหนื่อยกับการสงเคราะห์พวกเขาจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนเป็นครั้งแรกที่ท่านพระครูมีโอกาสฟังเทศนากันยาวจากหลวงพ่อในป่า ผมก็พอจะทราบถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องทำหลังจากออกธุดงกับหลวงพ่อแล้วแม้เป็นภาระอันยิ่งใหญ่แต่ผมก็ต้องทำผมตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าทีวิตนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาผมจึงพร้อมที่จะดำเนินตามรอยบาทของเสด็จพ่อพระองค์ทรงสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก แม้จะเป็นเจ้าชายหากพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีในราชสมบัติหรือความสุขสบายทั้งโลกทรงดั้นด้นค้นหาวิชาดับทุกข์ครั้นพบแล้วก็ทรงนำมาสั่งสอนชาวโลกผมจะดำเนินตามรอยบาทของพระพุทธองค์ครับหลวงพ่อภิกษุวัย45พูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วเราขออนุโมทนา เธอจะทำได้อย่างที่พูดและจะได้รับอานิสง์ในปัจจุบันท่านตาเห็นจำคำพูดของเราไว้ให้ดีว่าเธอจะต้องมอรณภาพเมื่ออายุห้าสิบปีสแสดงว่าผมจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกห้าปีเท่านั้นหรือครับท่านถามไม่ได้ตก อ, อกตกใจแต่อย่างใด ถูกแล้วเพราะบาปกรรมที่เคยทำปาณาติบาสมาตั้งแต่เด็กแต่อา น, นิสงส์ที่เธอช่วยเหลือประชาชนดังที่เราพูดมาแล้วสามารถทำให้เธอมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกหากก็มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องต่ออายุทุกปีแล้วผมจะต่อได้อีกกี่ปีครับเรื่องนั้น เอาไว้เธอจะรู้เองเงียบกันไปครู่หนึ่งผู้อ่อนวัยกว่าก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตระใช่หรือเปล่าครับเราจะไม่ตอบให้เธอไปหาคำตอบเอาเองแต่สิ่งที่เราจะบอกเธอก็คือ เรารอเธอมานานรอมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นเธอในชาตินี้เราเองนะที่ดลใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อเรียนวิชาคตศาสตร์เพราะถ้าไม่เรียนเธอตายแน่นอนเป็นอะไรตายครับถูกช้างเหยียบตายน่ะสิเพราะเรารู้ว่า เมื่อออกทุดงเธอจะต้องเผชิญกับฝูงช้างถ้าไม่เรียนวิชาคชศาสตร์จากหลวงพ่อเดิมมาเธอถูกช้างเหยียบตายแน่นอนหรือครับผมถึงว่าทำไมหลวงพ่อเดิมท่านจึงยัดเยียดให้ผมเรียนวิชานักผมกราบเรียนตามตรงว่าไม่อยากได้วิชานี้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเรียนไปทำไม หลวงพ่อเดิมท่านก็สอนผมว่ายาหญิงโยโสเป็นมันแรงป่องผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมีเสื้อตัวเดียวกับมีสิบตัวอย่างไหนจะดีกว่ากันท่านพูดเซ็จจนผมต้องยอมเรียนเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองว่าหลวงพ่อดลใจให้ผมไปหาหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงพ่อเดิม ท่านรู้จักลุงพ่อหรือเปล่าครับท่านพระครูถามจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญเอาละเดี๋ยวเราจะบอกเธอว่าวิชาคตจศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ขอให้เธอไปส่งน้ำเสียกอ่อนที่เชิงเขามีลําธารเล็กๆมีน้ำไหลไม่แรงนักลงไปส่งน้ำให้เรียบร้อย แล้วค่อยมาคุยต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอจำเป็นต้องรู้แล้วหลวงพ่อส่งน้ำหรื อ, อยังครับไม่ต้องห่วงเราสำหรับเราจะสงหรือไม่สงก็มีค่าเท่ากันเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องชำระล้างอีกต่อไปท่านพูดเป็นปริศนา